الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ا ل م س ل ي ن وعلى آله و ا ص ح ا ب ه ج م ع ي ن سبحانك لا ع ي م ا ن ا إلا معلمتنا ا إنك أنت علي من حكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا ت غ ف ر لنا ورحمنا لنكون ن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آ, آ م ر ربكم فأمنا ربنا ف غ ف ل ن ا ظ ن و بنا و ك ف ر عنا س ي ا ت ن ا و ت و ف ن ا ولا برار ب ن ا وأتنا ما أ ع ت ن ا لرسولك ولا تخذنا ي و, ق ق ق ق و م ا ق في ا م ہ إنك لا تكفم ع ا د اللهم أرنا الحق حق ورزمنا ا ت ب ع وارنا الباطل باطل ورزمنا الشناب بالشرح الصري والصلي أمري وأحلى نقد من ل ن س ا ن ي فهو قولي السلام عليكم و ر ح ب الله ركاته <ت ص في ق> ขัมดลลิลลัคละ تعالى งเมตตาเราให้เดินทางเข้ามาเก็บเกี่ยวเสบียงจากเดือนลมกตอนมาถึงช่วงสุดท้ายจะเป็นอาจจะเป็นสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับเดือนลมกตอนนี้ในส่วนของกับเซฟก็จะเป็น ครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เจอกันในเรื่องของอตัศนีศึกซึ่งทุกๆครั้งที่ <c oughs> เราได้ยินว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยรู้สึกใจหายครับรู้สึกใจหายกับครั้สงสุดท้ายครับเราลองนึกลองจิตนาการดูว่าถ้าหากว่าเป็นครั้งสุดท้าย ของชีวิตที่เราจะมีลมหายใจอยู่บนโลกนี้ <c oughs> ก็น่าจะเป็นเรื่องที่อะไรที่มันมันทำอะไรไม่ถูกครับเพราะโดยปกติแล้วชีวิตของเรานั้นชีวิตของคนเราก็อยู่ในการหลงลืมอยู่ในข้อบกพร่องต่างๆ บุ่วายอยู่กับการงานอะไรอการงานอะไรเยอะแยะมากมายพอถึงวันที่เราจะต้องจากไปถ้าเรารู้ล่วงหน้าสักวันสองวันเนี่ยเราจะทำอย่างไรลองนึกดูนึกดูว่าจะทำอย่างไรเช่นเดียวกับเดือนอเมตอน ช่วงท้ายของรมดำไม่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ถูกแล้วที่อภิสุาธะตะลาให้ช่วงสุดท้ายของดวงรมดำเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเราจะได้เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดจะได้ตหนักได้รู้แก่ใจว่ารมดำจะต้องจากไปแล้วก็รมดำอาจจะไม่หวนกลับคืนมาอีกให้กับเรา รบบตอนอาจจะยังคงมีอยู่แต่ว่าเรานะครับรบบอนก็คงอยู่ถึงวันเยีมัแแต่เราคงไม่ไปถึงตอนนั้นนะครับชีวิตของเรานั้นไม่ยาวนักนะครับไม่ยาวนักแต่ไม่รู้ว่าสักเท่าไหร่ที่สำคัญที่สุดคือคนที่มีชีวิตอยู่ก็ถือเป็นเนี่ยมัที่ยิ่งใหญ่นะครับคนที่มีชีวิตอยู่คนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ นะครับก็แต่จะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเขานอกจากสเสบียบที่ได้เตรียมไว้ยกเวน้นะผู้ที่เกี่ยวข้ อ, ของลูกเต้าเพื่อพี่น้องจะวิงวอนขอต่ออัชวรรณะให้ลดหย่อนผลโทษหรือให้รางวาัลตอบแทนกับเขาเราที่มีชีวิตอยู่จึงเป็นวันเวลาที่มีค่าอายุของเราวานนันหนึ่งของเรา เป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับคนสอนแล้วนะครับคนสอนแล้วคนดีนครับมีความปรารถนาเช่นเดียวกับคนทั่วไปก็คือปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวมีอายุที่ยืนยาวเพราะว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวนั้นเป็นโอกาสที่จะทำความดีนะครับถ้าเรา นะครับนักวิชาการบางคนสาร บ, บสารบุตรศาสตร์ะไรบางคนบอกว่าก็าหากว่าจะขอดวงต่อรัศมีฮาตลาได้เพื่อที่จะให้ชีวิตมียินชีวิตยืนยาวไปเป็นร้อยร้อปีเนี่ยอยากจะขอนะครับขอเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ทําความดีใครโดนนัสมตบ้าะอุมรุหูวะฮาสุนะอามาลุคนที่ดีที่สุดน บ, บีสโ ล, ลลัยอัสลามก็บอกว่านะคือคนที่อายุยืนแล้วก็ การงานดีด้วยวันถ้าเรามองโลกในแง่ดีว่าการมีชีวิตยอยู่เพื่อทําความดีเนี่ยมันน่าอยู่ครับน่าอยู่ยเพื่อที่จะทําความดีหลายเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะสั่งได้เพราะเวลาเป็นจํากัดครับเราเป็นครูจะสอนหนังสือจะอะไรต่างๆก็ได้มีเวลาแค่จํากัดท่านเองแต่ถ้าเรามีเวลายืนยาวเนี่ยเรื่องที่ยังไม่ได้บอกก็จะได้บอกเราเองเรื่องที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้ สุภาน้อล้อเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับการที่เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งๆแต่นั่นแหละกว่าคนจะรู้ตัวก็ครับก็บางทีมันก็ถึงช่วงสุดท้ายวันนี้เราทุกคนที่อยู่ในรบวรรณแล้วกำลังจะเราจะจากรบวรรอะรบวรรณะจะจากเราไปนะครับต้องแยกทางกันนะครับ <c oughs> ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับอย่างดีก็แค่หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันกับหนึงคืนหลังจากนี้ก็ต้องจากกันไปแล้ว <c oughs> สิ่งที่เราต้องคิดนะครับสิ่งที่เราเสียใจมากที่สุดในรอมฎอนก็คือเราไม่ได้ทำความดีอย่างเต็มที่ไม่ได้กอโปลอย่างเต็มที่อะไรมันเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่ก็ะั้งรอมฎอนที่อัลลอฮสร้างตลาจัดวิเิษเวลาพิเศษให้เนี่ย เราก็ยังเตรียมตัวไม่ทันรู้ล่วงหน้าเป็นปีรู้ล่วงหน้าเป็นนะครับเอาเป็นปีก็แล้วกันลนะว่าเป็นปีว่าอีกหน้าถ้าสมมุติว่เาเมื่อรมฎอนที่สุดลงเมื่อไหร่นะครับก็คือว่าเราคาดการว่าถ้าหากว่าเรามีชีวิตยืนยาวก็อีกสิเอดเดือนเราก็จะเจอกับรมฎอนอีกสิเอดเดือนก็เราเจอรมฎอนแต่ก็นั้นก็ตามมีเวลาสิเอ็ดเดือนนี้เราไม่ได้วางแผนเพื่อรมรมฎอนไว้เลยไม่ได้ปักตรงหน้าว่าเราจะทํำยังไงจะจัดการหน้าที่ของเรายังไงนะครับ หลายคนต้องมานั่งเถียงนั่งว่ากันว่าคนโน้นแอติการคนนี้ไม่อติกรัรทําไมไม่อติการครับเข้าไปดูในอะไรครับสังคมออนไลน์ครับ <laughs> คนโน้นว่าคนนูคนโน้นว่าคนนี้คนนี้ว่าคนนั้นนะครับ <laughs> <c oughs> ก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมการอะไรไปเลยไม่ได้เตรียมการสําหรับที่จะเข้าสู่เดอเรอมมอน เราบรรลุเลยเป็นประเพณีที่ที่ไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรใหม่นะครับไม่มีอะไรใหม่ก็อันนี้คือบทเรียนสําคัญว่านะครับแม้เราจะรู้รู้เรื่องหน้าเหมือนกับรู้เ่วงหน้าว่าเราจะต้องตายเนี่ยเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะครับนะพอถึงวันหนึ่งที่บางคนนี่เจ็บป่วยป่วยป่วยนะครับ้ายังรู้สึกตัวนี่ก็จะเริ่มคิดแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างสั่งโน้นสั่งนี่อะไรต่างนี่คือชีวิตนี่คือ นี่คือมนุษย์ที่อยู่กับการหลงหลืมนม้นเราก็ก็มหาสบ ะ, ะครับว่าช่วงสุดท้ายของอมตอนนี้ก็ต้องมหาสบะขอไปโทอต่อรัศมีฮาตาลานะครับในข้อปกคร่องต่างนะครับก่อนที่เราจะ อ, อรมตอนี้จากเราไปนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่า เ, เราจะมีโอกาสที่จะอยู่มีชีวิตยอยู่จะถึงอรมตอนหน้าหรือไม่ วันนี้เรามีอายะห์ของอัลลอฮ์สุหัตต์ลาจากสุราอัลฟุรควนนะครับ <c oughs> จากสุราที่เอไปถึงาจากอายะห์ที่อไปถึงอายะห์ที่34นะครับอินชาอัลลอฮ์อายะห์ที่3าถึง34ก็คงจะได้แค่นั้นสำหรับในช่วงรอมฎอนนี้เราค่อยว่ากันหลังจากรอมฎอนอินชาอัลลอ์ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليهم القرآن جملة واحدة. كذلك لنتثبت به فؤالك. وردناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الَذِينَ يُحَشَّرُونَ عَلَى وَجْوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانٍ وَأَضَلُّ سَبِيلًا สามสองแลสามเอสามสิบสองสมสิบเท่าไรสาสิบสามนี่3สมสิบสามสมสิบสองสสามสาสี่นะครับขอโทษนะครับสามอายะซึ न न ่งอายะที่สามสิบสองเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พวกกติเศส ได้ตั้งขึ้นมาเป็นประเด็นที่ดูเหมือนจะไม่มีน้ำหนัก เ, เลยสําหรับสําหรับเมื่อเทียบกับประเด็นก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเทียบกับประเด็นต่างๆที่ตั้งขึ้นมาไม่ว่าประเด็นที่ว่าอันกราร์เป็นอิฟนะครับเป็นเรื่องมุเทสอันกราร์เป็นซาตีบเป็นนิทานปรับนิทานประดัประราและท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวาลัยซ้ำนี่เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญที่เ อ, อ กินอาหารแล้วก็เดินตามตลาดการเดินท้องตลาดและพวกปฏิเสธยังได้ท <c oughs> ้าทายหรือขอว่าให้อัลลอฮฺสุลตานตะลาได้ส่งมาลายการ์ลงมาเป็นผู้ช่วยท่านอบดุลเลาะหสลอห์เหลียวอิสลามหรืออะไรใ น, นก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับข้อ ก, กังขาหรือประเด็นที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือว่าคําถามเหล่านี้ นะครับคำถามเหล่านี้หรือประเด็นเหล่านี้ตั้งขึ้นถ้าเรียกจะเรียกว่าเป็นเป็นคําถามอันดับพันนะครับของพวกกฏิเสธนั่นเองนะครับตั้งให้เป็นเรื่องหาเรื่องตั้งคําถามเพื่อหาเรื่องไม่ได้ต้องการที่จะตอบหรือว่าไม่ต้องการอะไรมากกว่ามากไปกว่าที่จะที่จะอะไรครับที่จะหยุดยั้งท่านอบีุลสลโลลอยหรือสลัมหรือถ้าสร้างปัญหาให้กับท่านอบดุลสลโลลอยสลัมสร้างปัญหาให้กับการ ดาวาของท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิลมทีประเดนในอายะที่32ว่ลืีนกฟรบรรดาผู้ปฏิเสธได้กล่าวว่าลานุซิละอลในคุรานุยมตวะขิดะไม่ทำไมจะไหนจึงไม่ประทานอันคุรานลงมาเนี่ยยุมนาตาวะขิดนะทำไมอันคุรานไม่ถูกประทานลงมาเล่มหนึ่งทีเดียวเลยทั้งเล่มเลย ทำไมต้องทยอยพระักุรานลงตุกตะาลงมาเนี่ยมุนัจมันมุฟัรอคนนะครับก็คือว่าทยอยลงมาอัลลอฮฺสุลตารารทานอันตราลงมานะครับทีละอายะสองอายะสอายะหอายะบางอย่างครั้งแรกที่อัลลสุลตาาปรทานรับยู่จากฟักฟาในสุโรอารักอัลลอฮฺสุลตาราบรทานมาหอายะบางครั้งก็นะครับอายะสองอายะสามอายะหรืออะไรทำนองนี้มากบ้างน้อยบ้าง แต่ข้อใหญ่ใจความก็คือว่าประทานทีละเล็กทีละน้อยทยอยลงมาใช้เวลาในการที่จะประทานอันกวานมาหมดทั้งเล่มจากวันแรกจากวันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการประทานวายุ น, นใช้ระยะเวลานะครับเกือบ23ิปี22กว่าปีนะครับปีกว่านะครับก็คือประมาณง่ายๆก็คือว่า23ปีในช่วงนั้นนะครับจะ 6,000 กว่ายะใช้เวลาเวลา22 อายุ uh, 23ปีนั้นพวกอฏิเสธดิ็นตั้งอีกประเด็นขึ้นมาตั้งตั้งตั้งแง่ขึ้นมาอีกว่าทําไมไม่ประทานลงมาทีเดียวทำไมไม่เอาเหมือนกับที่กับ uh, อะไรครับคำภีก่อนหน้านี้มีอะไรครับสามเล่มอันนี้ประทานทีเดียวคำพีตอร์โรสอินจินซาบุตตอร์ตและก็อนจินอันนี้ประทานทีเดียวท่องลงมาตั้งเล่มเลย นะครับเป็นแผนจารึกแล้วก็ทั้งเล่มเลยนะครับพวกอดีตศึกก็ตั้งคำถามว่าทำไมไปประทานทีเดียวนะครับทำไมลงมไปประทานลงมาทีเดียวไม่ได้ต้องการอะไรตั้งตั้งตั้ ง, งประเด็นขึ้นมานนนทั้นั้นเองทีนี้อัลลอฮฺสวานะลาตอบกระดาษลิกาตอบสั้นๆเดี๋ยวตรงขั้นสั้นนี่นะครับ มันมีแง่คิดอะไรต่างๆลินุซฐ บ, บิบิฮิฟูอาดเพื่อที่จะให้อะไรครับจิตใจหรือว่าใจของท่านนั้นมีความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งที่จะให้เกิดความมั่นคงมั่นคงมั่นคงในสิ่งที่อลัลลอฮสวตลลอประทานลงมาถามว่าการที่จะวางฐานอะไรสักอย่างหนึ่งการเทที่เดียวกับทยอยเทเนี่ยไหนมั น, นจะแน่นกว่านะครับ เราหินกองใหญ่เลยเทลงไปทีเดียวเนี่ยกว่ามันจะแน่นหรือการถมดินหรือการถมดินเนี่ยกว่ามันจะแน่นมันต้องใช้เวลาถมลงไปแต่มันยังโก่งพื้นที่ยังมีช่องอากาศมีช่องอะไรต่างๆเราจะเห็นว่าดินนี่สุดหลังจากวันเวลาที่ผ่านผ่านไปอันนี้คือการการทำทีเดียวการทําทีเดียวทุกอย่างการทําทีเดียวนั้นมันนะหรือการวางหลักฐานหรือการสร้างอาคารนะครับก็เช่นเดียวกันนะต้องใช้เวลาการรอนะครับ การากอ่ออะไรต่างๆต้องใช้เวลานะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องปกตินะครับที่เป็นฟิตราล์นะครับเป็นฟิตราล์ที่อรรสมาตาลาได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกนี้แทบจะแทบแท บ, แทบจะเป็นฟิตราล์อันนี้ต้นไม้ต้นหนึ่งกว่าจะได้ผลตั้งแต่วันที่เป็นมเมล็ดปลูกลงไปเจริญเติบโ ต, โตดูแล ว่าจะให้ดอกออกผลบางบางต้นเนี่เป็นสิปี10ปีหรือ20สิปีนะครับว่าจะมีดอกออกผลยิ่งต้นแข็งแรงยิ่งต้นลำต้นใหญ่เท่าไหร่นะครับก็รากต้องลงไปลึกเท่านั้นเพราะนี่คืออุตาหรณที่จะบอกว่าการที่จะวางรากฐานที่อันกราจะวางรากฐานถึงมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์นะครับตัวผู้ที่สําคัญที่สุดก็คือประการแรกท่านอับดุสสโลโหลห์อะไรสักล่ะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น ดังนั้นท่านต้องอาศัยความจําต้องอาศัยความจําการที่จะประทานลงมาทีเดียวนะั่นคือหมดหมดสิทธ์อยู่แล้วใครจะมาอ่านให้ท่านฟังอันนี้คือฮิกมาอย่างหนึ่งว่าตัวของท่านดาวิดสโลโลห์อัลลอฮนะครับอ่านหนังสือไม่ได้แล้วก็เขียนไม่เป็นถามว่าถ้าประทานลงมาทีเดียวเนะี่ยใครจะมาอ่านให้ท่านฟังแล้วในการที่จะจับหมวดหมู่ในการที่จะจัดหมดหมู่เรื่องนี้ควรทําเรื่อง นะครับแต่และเรื่องเนี่ยเขาก็ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งเนี่ยแต่คนเขียนเนี่ยเขาไม่บอกไว้ในคำนำํานําเราเรานะครับในในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะเอาตรงไหนก่อนจะสอนตรงไหนก่อนหนังสือเล่มหนึ่งทำไมต้องมีบทบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งนะหรือเด็กจากเด็กอนุบาลเนี่ยบทที่หนึ่งไปสู่บทอบทที่สูงขึ้นไปเนี่ยเขาวางสเต็ปไว้เรียบร้อย แต่ถ้าคนที่ร่างหลักสูตรนี่ไม่บอกไม่เรียงไว้เนี่ยเขาจะจัดยังไงคนทําวันคำพี่ของอโสาารสฮานตาลาเช่นเดียวกันเนี่ยโรสฮานตารตารู้ดีว่าให้ท่านในบีมมหามสัสโสโลยสลัมเริ่มต้นจากจุดไหนไปจบที่ไหนจะสอนอย่างไรครั้งละเท่าไหร่ค า, าบนี้าบนี้จะสอนเรื่องอะไรบ้างกําหนดไว้ให้หมดเลยรายละเอียดสอนเกินกว่านั้นไม่ได้ แม้ท่ น, นบีสโลอิซามจะรีบเร่งในการที่จะให้วายูระทานลงมาบางครั้งคนมาถา ม, ลถามแล้ท่านนบีตอบไม่ได้ถามแล้วตอบไม่ได้เนี่ยต้องรอวายูอย่างเดียวก็ต้องมีความสบายต้องมันหลายสิ่งหลายอย่างที่ ท, ที่อัลลอฮฺสุฮาตลาให้ผ่านการประทานอันอันกรานที่ทยอยลงมาเพราะนั้นท่านนาบีสโลอิซามต้องท่องจำอายะเหล่านี้ด้วยจําด้วยนะครับนะแล้วอัลลอฮฺสุฮาตลาได้ให้เกียรติ ถ้าคำพีเล่มก่อนก่อนรัฐบาทานลงมาทั้งเล่มอัลลอฮ์ให้มาเลยระทานลงมาเลยแต่ท่านนบีมม h o m a สโลไลส ล, ลามทุกครั้งที่ที่อะไรคับที่อัลลอฮ์สั่งใหรัฐบาลทานอายนีให้ยิบรีนนำมาท่านรว่ายิบรีนมาหาท่น า, ลลานนบีสโลโลอานอิสลามสักกี่ครั้งจนกระทั่งถึงเรื่องมอรมะดอนเนี่ยจะปิดแล้วจะปิดเล่มแล้วเป็นหลักสูตรแต่ละปีก็มาทบทวนมาทบทวน ทุกๆปีก็มาทบทวนว่าที่ผ่านไปนี่เป็นยังไงบ้างมานั่งยิบรีมนะนั่งทบทวนไหมถูกต้องไหมตรวจสอบหลักสูตรที่ให้มานะครับหลักสูตรที่ให้มาว่ายูที่ให้มาตรวจสอบนะต้นนบีสุลัยสลามอ่านให้ยิบรีนฟังยิบรีนก็นะครับเรียกว่ามีการประเมินทุกๆปีนะเหมือนเขาว่ามีการประเมินทุกๆปีมีการตรวจสอบทุกๆปีนะครับุบาอัลลอฮฺ นี่คือการศึกษาที่ยิ่งใหญ่มากการศึกษาที่ยิ่งใหญ่มากทีนี้ที่นอกไปกว่านั้นเราลองดูความหมายให้หมดคำว่าฟัวอาร์ตหมายถึงจิตใจหัวใจอยู่ซับบิทก็คือทําให้มันพงทําให้เข้มแข็งทําให้มันแน่นนะลีนูซับที่เป็นเช่นนั้นอัลลอฮฺสุลฮะตะลาบอกว่าลีนูซับบิท พูดกับท่านอบดเว่าเราต้องการที่จะให้มันให้มันเข้มแข็งให้ใจของเจ้านี่เข้มแข็งให้ความจําของเจ้านี่แม่นยําในอันกุรานไม่พลาดจากอันกุรานคือมนุษย์คือมนุษย์ท่านอับดุลเลาะห์เลยสลามจำอันการานนะครับด้วยความพยายามด้วยความอัลลอฮฺสวาห์ฮัตลาเมตตาให้ท่านได้จํานะครับเพื่อที่จะให้จิตใจของเจ้านั้นเข้มแข็งหรือให้มีความมั่นคงกับสิ่งที่อัลลอฮฺสวาหัตลาได้ประทานลงมา วรตนาหุตตีล่ะวรตนาเนที่นี้ไม่ใช่อ่านนะครับหมายถึงแจกแจงนะครับอัลลอฮฺสาตาลาจะได้แจกแจงให้ละเอียดนะครับแจกแจงนะครับอายัดของพระองค์นะครับให้ละเอียดเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างชัดเจนเ <c oughs> นื้อทฤษฎี ของท่านไซกุตุบได้อธิบายไว้ดีมากนะครับได้ให้คิดง่ายๆคิดที่ดีมากครับอันนี้มันขาดไม่ได้จริงๆตั้ซิกเรื่นี้นะครับถ้าจะเข้าใจการกรานในความหมายที่เป็น practical หมายความหมายในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนะครับมันสำคัญมาก ล ق วด์ ولقد جاء القرآن بمن بب ب ن كامل شامل لحياة كلها القرآن เนี่ยนำเอาหลักสูตรนาเอาคัลลอง منهج หลักสูตรทภาษาการศึกษาก็คือหลักสูตรเนี่ยครับ منهج ที่ كامل ที่สมบูรณ์ شامل ครอบคุมสมบูรณ์ แล้วก็ครอบคลุมด้วยแต่สมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ครอบคลุมก็คือคร อ, อบความว่าครอบคลุมหมายถึงว่าในทุกๆเรื่องที่จําเป็นสําหรับมนุษย์อันกราสอนไว้ชามินลิลไหยะทิกลิหะสมบูรณ์แล้วก็ครอบคลุมถึงทุกแง่ทุกมุมของชีวิตว่า จ, จะอินวัตซาติฮีบิบินฮะในขณะเดียวกันเรื่องที่มาสอนกับอันกราเนีน่ยเรื่องอะไรที่สอนอยู่กับ เออมีช่วงเรื่องที่ซอนอยู่กับการาด้วยนะว่าฟีเอ๊ะจะฟินวักมาในเวลาเดียวกันนะวักฟินวักจะทีบีมินฮาจนลิตรบียะาลงของการตารเบียกระบวนการในการที่จะหล่อหลอมคนเนี่ยมันอยู่แฝงอยู่ในนั้นด้วยอันกุราณไม่ได้แค่เนื้อหาอย่างเดียว บอกถึงวิธีการว่าขั้นตอนขั้นตอนมันเป็นยังไงจะทำอย่างไรนะครับนะบอกถึงสิี่ต้นบอกว่ามิัอตรบียที่จะให้การตาร์เบียอยูว่ว่าเกกันฟิตราะที่สอดคล้องกับฟิตรธรรมชาติของมนุษย์อัลบาชรีอัลอิลมินบบฮามินขาลิกที่เป็นความรู้ผู้ที่รู้นะครับผู้ที่รู้ คืออโลสมหาตาลาด้วยความรู้แสดงว่าในขณะเดียวกันเป็นหลักสูตรที่ส ม, มบูรณ์ครอบคลุมพร้อมในขณะเดียวกันก็มาเรื่องของการว่าจะกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงคนกระบวนการที่จะหล่อหลอมกลมเก่าก็กวนการที่จะพัฒนานคนนี้จะทำยังไงอยู่ในนั้นด้วยซอนอยู่ในนั้นด้วย ฟ้า جاء ل ذلك منجما وفق الحاجات الحيّة للجماعة المسلمة ดังนั้นอัลกุรอานเนี่ยจึงทยอยลงมา منجم าวิฟทยอยลงมายังไงตามความต้องการจริงๆใความต้องการที่มีชีว ah ah ิต ครับต้องการที่มีชีวิตยังไงบางทีเราว่าต้องฉันต้องการโน่นต้องการนี่ต้องการท่าฉันเป็นนั้นต้องการขณะนี้ที่คนเป็นอยู่เนี่ยปัญหาของคุณคืออะไรจะแก้ไขยังไงนี่คือให้อะของที่เป็นอยู่ไม่ใช่คาดว่าถ้าคุณต้องการอะไรบ้างครับเราก็บอกว่าถ่านก็จะให้แล้วเราก็บอกไปเลยจะเอานู่นเอานี่แต่ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไหมบางทีเรื่องที่เราต้องการไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ว่าหาญอัลให้อสิ่งที่ต้องการที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเนี่ยอันกุรานเป็นแบบนั้นลงมาแบบนั้น ลิ่นจมาอ่ะอันมุสลิมนะดูมาใหกับจัมม่ามุสลิมนั่นพูดถึงเรื่องจะมาะพระอัลกุรอานีไม่ได้มาสอนคนคนเดียวต้องการสร้างสังคมสังคมต้นแบบ การสร้างคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันต้องสร้างคนไปพร้อมๆเรียกว่าในสังคมเนี่ยนะครับสร้างสร้างคนแล้วก็สร้างสังคมไปพร้อมๆกันนะครับต้องเลยพูดถึงอันอมรุสลิมวะเฟิตรนช์นชอาติวะฟิตรินฟิตรนชอติฮวนุมูวฮวนอวนมูวิฮะวะวฟก อัศจรรย์มากเหมือนกันนะครับถ้าคนณไม่คุ้นเคยกับลัทธิของท่านเนี่ยครับบอกว่าสอดคล้องกับความพร้อมพร้อมคุณพร้อมขนาดไหนเอาก็พร้อมแค่นี้เอาไปแค่นี้กับความพร้อมนะของการที่จะเติบโตโยมัน บ้าได้ย่อเว้นจากวันแล้ววันเล่าพร้อมเรื่านี้แต่ยังไม่พร้อมไม่ได้มนุษย์เนี่ยพัฒนาไม่ได้ถ้าในสภาพที่ไม่พร้อมพร้อมเรื่องนี้ไม่พร้อมเรื่องนี้เอาเรื่องนี้พร้อมก่อนใช่ไหมเตรียมความพร้อมพร้อมเรื่องนี้เอาพัฒนาเรื่องนี้แล้วก็ขยับไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเขาจึงเรียกว่าเตรียมความพร้อมที่เรียกว่าเวลาจะเรียนจะสอนเนี่ยเตรียมความพร้อมแบบพร้อมเอาพร้อมแต่คุณเป็นตรงนี้แล้วขยับไปที่สอง นี่คื อ, ค, อคือคือคัลองของอันกุรานนะครับฟีิลลีมันฮัอัตตารบาวีอันอิลฮิอัดิกนะภายใต้ร่มเงานะในร่มเงาของหลักสูตรหรือคลองแห่งการตรบาวีแห่งการศึกษาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งยาอลียกูนเลียกูนามันฮมันฮัมันฮัอัารบียะ ว่มันหัดว่มันหัดขยายอันกุรอานมาเพื่อที่จะเป็นคัลลองของการศึกษานะเป็นหลักสูตรของการเป็นคัลลองของการศึกษาและเป็นคัลลองของชีวิตในเวลาเดียวกันลาลีย์ูน่าิทับสกาฟะตุคระลิมุจรรัดลิดะลิมุจรรัดลัลลิดะ เอาหรือมัวจอันตริยาไม่อันกรานไม่เดินถูกประทานลงมานะครับไม่ได้ถูกประทานลงมาเป็นหนังสือทางการศึกษาสกอฟะสะกอฟะก็สะกอฟ ะ, ะกฟะ็ะกะให้ความรู้หนังสือให้ความรู้ไงเต็มบ้านเต็มเมืองหนังสือให้ความรู้อันกรานหนังสือให้ความรู้ไหมอาจจะมีความรู้แต่ว่าอันกุรานไม่ได้ให้มา เป็นหนังสือนะครับที่ให้สกอฟ้าที่ให้การศึกษาเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้สกอฟ้าบางครั้งก็แปลว่าวัฒนธรรมนะยุคราอที่ถูกอ่านลิมูญัตรัสเพื่อที่จะอ่านที่จะให้เกิดความเพลิดเพลินหรือลิมูญัดรัสได้มากหรือ่าเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินหรือเพื่อต้องการความรู้ไม่ใช่เพื่อที่จะรู้เราอ่านให้เพลิดเพลินแล้วก็เพื่อที่จะรู้ จะอ่านยูนอฟิลฮารฟันฮารฟันว่าคัลิมตันคัลิมัตันอันกรานมาเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการประยุกต์ใช้ทุกตัวอักษรฮารฟันฮารฟันทุกตัวอักษรที่รอักษรคัลิมาตันคัลิมัตันพุกค ว่าตกลี فن ว่าตกลี فن ที่ละพารากิตเพระทุกภาราคิดพารากิดแล้วพารากิดเล่าอักษรแล้วอักษรเล่าต้องการที่ตันฟีสตันฟีสแปลว่าใช้ปฏิบัติจะจะลิตาคูณะอายะทีฮิฮิยะอวามิรันเยอมียะอันกุรอานมา เพื่อที่จะให้อายะห์ของอันกุรานนั้นเป็นอาวามิรอะเาอมียาเป็นคำสั่งประจำวันคำสั่งในชีวิตประจำวันหรือคำสั่งสอนในชีวิตประจำวันอัลลอฮีจะตะลักาะฮะอัลมุสลิมุนฟีฮีนีฟีฮีนีอาลิยะมัลูบิฮะฟวราตะลักีฮะ คำสั่งนะครับเป็นอะไรครับคำสั่งยามีอทุกๆกวันประจำวันเพื่อที่จะให้บรรดามุสลิมนี่มารับไปนะแล้วก็รับไปปฏิบัติในทันทีที่รับแล้วแล้วก็ไปปฏิบัติกามายะะลักกออนจุนดีฟีฟีสักฟีักหนตีหรือฟีอัลมีดาน อันอัมรอายมีเหมือนกับที่ทหารคนหนึ่งรับคําสั่งในค่ายในกองของเขาแต่ละวันว่าวันนี้ไปทําอะไรรับคําสั่งนึกออกมันกามันเน้ได้ไม่ลื่นลงมาเยอะรับมาแล้วไปปฏิบัติรับมาแล้วว่าแก้ไขปัญหาเรื่งต่างอ่ะอ่ am มันย่อมีมาอัจฉริยวันฟ้วันรก บ, บะฟิตันฟิฟิตันฟิฟ นะครับในขณะเดียวกันที่รับอย่างนี้เนี่ยพร้อมกับตาอัศรก็คือว่านะมันซึมซับลงไปในนะครับมันซึมซับลงไปในชีวิตของเรามีความเข้าใจและมีความปรารถนาที่จะไปปฏิบัติพร้อมๆกันรู้เรื่องละหมาดแต่ไม่มีความไม่มีรอกบ้าไม่มีความอยากที่จะปฏิบัติความความเข้าใจมีไหมความเข้าใจไม่มีตาอัศร รู้สึกว่าม ja, ันมันมันม um. ันกินใจเราหรือว่ามันมันเราเกิดเราเกิดอะไรครับเกิดอินกับมันกับเกิดเกิดความรู้สึกที่ผูกพันกับมันหรือลึกซึ้งกับมันได้รับอิทธิพลจากมันมีไหมนั่นคืออังกฤษว่มาอินติบาอินติบาวัตะเกย์ฟวิฟกอมายะตะลักกอ นะครับในด้านการปฏิบัติก็นานํามาสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องนะที่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาสิ่งที่ได้รับมามินอจิลฮะดาคุณลามินอจิลฮะดาคุณลีฮีนซาลันกุรอานเอานุิลันกุรอานโมฟัสซาลาด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดอันกราลงเจลเลยลงมามมฟัสซาลา ลงมาแยกย่อยแยกย่อยทีละอายะสองอายะสามอายะนะครับทยอยกันลงมาอยู่เบญอวันมาอยู่เบญอันมันจะให้เลืกมีรัลลัยสัลลัลลอฮอะลัยฮิวสัลลัมก็นะครับแรกที่สุดก็น่าแจกแจงนะสิ่งที่อัลลอฮฺมาตรลสได้ประทาน ให้กับท่านนบีสลลอิลมนั้นนะครับให้กับท่านนบีสโลโลอิสลามในหัวใจของท่านนบีสโลลอิสลมมีความจมีความเข้าใจ ويسبتُه على ط ر ต ق ต ه บ ي ت ا ب ع ُ ع ครับก็ทยอยลงมานะครับให้กับท่านนบีสลโลอิสลามนะครับท่านนบีสลลอิสลมจาด้วยกว่านะครับด้วยจา ด้วยหัวใจของท่านด้วยความจําของท่านแล้วก็เกิดความมั่นคงเกิดความเข้มแข็งนะครับทีละขั้นทีละขันะข้นเล่าขั้นนะครับทยอยกันลงมานะครับนาะทีละขัน้นทีละส่วนกาซาลิกะนั่นก็คืออายา ะ, าะติอตัลลอฮฺสุลตานตะลาบอกว่ากาซาลิกะลิโนสบิตะบิฮิฟูอาดักวรรตันนาหุตัดตีลอัตตัีนฮาหุนาอัตตาบวกอตัตตีนตรงนี้แปลว่าตาตาบวกก็คือว่าต่อเนื่องกัน จากกันจากจากหนึ่งไปสู 2, 2, ่สองสองสามต่อเนื่องติดตอ่ตอต่อเนื่องกันวัตวาลีวิฟกอฮิกมาตินตอ่อเนื่องอยัง ไ, ใไงใครบอกได้การต่อเนื่องเนี่ยใครบอกได้อลัสวาตาลาอายนนี้หลังจากอายันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่เป็นตี้ฟีซุร้อนนี้อยู่ตรงนี้เอาอันกราตักเล่มเนี่ยยกมาเนี่ยถามว่าไ อ, า อ, าอาเรียงอายันเนี่ยเรียงไงในเมื่ออายันลงมาอ่าซุรา ห, หนึ่งหนึ่งเนี่ย ไม่ใช่ว่าลงมาจบชุวร์เลยแต่ลงตามตามอะไรครับต า, ตามตามตามความจาเป็นตามให้กมาที่อัลลอฮฺสุลตาราประสงค์แต่เวลาเรียงเนี่ยท่านนาบีลลลสลลอฮลอิลมเป็นผู้เรียงตามคำสั่งของอัลลอฮลตาาเรียกว่าเขาเรียกว่าอันนี้คือเรียกตากรีฟีเตากรีฟีก็คือว่าคนไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่การเรียบเรียงของท่านนาบีสอลลฮกุลอิสลามอายะมาจากอัลลอ์เรียบเรียงอายะนี้ ก่อนอายะนี้หลังจากอายะนี้อายะนี้อยู่ในสุร้อนนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรเป็นไปตามขบัญช้าของเราสวสารสวสรค์ตลาครับ เปตามิมของอัลลฮะฮตะลนะความรู้ของพระองค์ความรอบรู้ของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์วอินวอินมฮวิฟกอิมาติลลาฮิว่าอินมิฮิ a l l a สร้างมนุษย์มาอัลลฮะฮตะลารู้ว่าหัวใจของคนเรานี่พร้อมเรื่องไหนก่อนไม่พร้อมควรจะสอนเรื่องไหนควรจะสอนอย่างไรควรจะบอกอย่างไรนี่คือ ความพร้อมที่ Allah SWT จัดการให้หมดเบ็ดเสร็จนบีมีส่วนไหมไม่มีส่วนในกับอายะฮ์อันกราร์านส่วนก็คือว่าตามตามคำสั่งของ Allah นี่อายะฮ์นี้ไว้ตรงนี้อายะฮ์นี่อยู่ตรงนั้นนะครับเรื่องนี้สอนอสอนเรื่องนี้ก่อนสอนเรื่องนี้ทีหลังเนี่ยครับคือฮิกมาที่ยิ่งใหญ่มันจึงไม่ง่ายนะครับแ ม, ม่ถ้ามันถ้ามันขาดตรงนี้เราก็จะดูอันกราร์านทั้งเล่มเนี่ยก็คือว่า ถ้าในเชิงของการศึกษาในเชิงของการศึกษาในการเชิงของการตะรบีย์จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเริ่มจากสุราปติยาหลังจากนั้นก็ไปสุราหลังจากนั้นก็ไปสุราบักราเป็นสุราที่สองหลังจากสุราบักราก็ไปสุราที่สามลงไปดูที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามาให้การศึกษากับคนด้วยด้วยแบบนั้นที่จะพัฒนาคนไม่ใช่ความรู้นะองความรู้อีกเรื่องหนึ่งที่จะพัฒนาคนเพราะว่ันกุรานเนี่ย เป้าหมายของอันกรารคืออยู่ที่คนที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่จะพัฒนาคนนะครับในด้านต่างๆของเขานั้นท่านในเชิงนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าท่านอบบับดุลโลาะห์ละสัลามเนี่ยเริ่มสอนคนอย่างไรอลัลลอสมบาตละประทานอายะห์ครั้งแรกจากอายะห์ไหนและท่านเริ่มทำอะไรดังนั้นจึงเกิดกรณีของว่าเอาเอกร้อ มันเริ่ต้นจากการอ่านหลังจากนั้นอัานมุนซัมมิน ม, ม, มุนดัตเซนที่เกี่ยวกับการฝึกฝนคนเรื่องของการกตรียมมุลเลนเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ครับที่เรียกว่าเรื่องของการตรีอารมันมีก่อนมีหลังมันมีหลักสูตรมันมีลำดับมรารอเข่นนะครับมันมีขั้นตอนของมัน ولقد حققن قرآن بمنهجه ذلك خوارق في تكليف ذلك النفوس أن قرآني ประสบความสาเร็จด้วยด้วยเนี้ยด้วยคันลองอันนี้ด้วยม ن ه ของอันกุรอานเนียขาวริกเรื่องเรื่องที่ขาวรักกนคือคนอ่านได้ก็คือเรื่องที่เหลือเชื่อกอเหลือเชื่อในการที่จะสร้างสร้างคนได้มันเหลือเชื่อที่ท่านอบมหมมัดสลออซมใช้เวลา23ปีในการเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงค้าวสมุนอารัเนี่ยมันเรื่องเหลือเชื่อ มันไม่มีใครทําได้การเมืองผ่านไปแปดอะการเมืองผ่านไปแปดสิบปีเนี่ยยังย่าอยู่กับที่เลยคนก็ยิ่งแย่ลงอะไรต่างๆเนี่ยท่านทบีนนายบิมฮวันวัสด ล, ลัยสันเนี่ยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนภาพุสมุนาระบเปลี่ยนสัจจะเสื้อผ้าของเชดิกมาเป็นเต๋อกินเปลี่ยนจากเรื่อง เ, อเรื่องกินดอกเบีย้ยหมดเรี่ยงเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องมารา ย, ยาทที่ตำซ้ำของเจ้าของของที่มีอยู่ในนั้นหมดไปกลายเป็นมารา ย, ยาทที่สูงสง่ง เรื่องของคนที่ไม่รู้กลายเป็นคนรู้กลายเป็นครูของโลกเรื่องของความเสียสละเรื่องอะไรต่างๆมุฮัมมัดสุล ล, ลยัยสลามใช้เวลาอันนี้มันคอร์ริคุลอาน์ดอะเขาเรียกว่าเขาว่าเลกเป็นเรื่องที่นะครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เป็นเรื่องที่แปลกเป็นปฏิหารอยู่ตรงไหนก็ด้วยบรรทัดของอัลกุรอานฟิตตะเกียรฟีตัะกีฟ ในการที่จะจัดการในเรื่องของวิธีการติ้นกันนูฟุสตะกีฟันนูฟุสครับการที่จะการที่จะเปลี่ยนคนนี้มันไม่ง่ายเลยอย่างนี้ก็เรียนกันวิชาได้ิตวิทยานะครับจวิทยาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนิทีิสโนเป็นวิชาที่ยากที่สุดไปเรียนเรียนแล้วนะครับตอนผมเรียนสอบสามครั้งหรือเท่าไหร่กวจะผ่านกว่าครูครูจะให้ผ่านหรือจิตวิทยา อ่างนั่นอย่างนี้มันสลับซับซ้อนจะถามว่าอัลกุรอานเนี่ยอัลลอสุฮตาลาเจตที่อัลลสุฮตาลาให้มาเนี่ยผู้ที่รู้นะเรื่องกิจวิทยามากที่สุดคืออัลลสุฮตาลาและท่านนบีุลัยัลไปเรียนกิวิทยามาจากไหนไม่ได้เรียนแต่ว่าเอาเดินตามที่อัลลอสุฮตาลาใช้เนี่ยว่าเนี่ยสอนในนี้สอนในนี้บอกอย่างนี้อัลลอประทาประสบความสาเร็จในช่วงเวลา23ปี่คืนฟุอัลลอตรัด มรดดลนุทภาพัานทย่อยกันนะครับนะอย่างต่อเนื่องต่อัสรตะวะตวต่อัสรตบิฮิยืวอม็นบ่าเดเยือเหม็นซึมซับเอาวันแล้ววันเล่าวันประวัต บ, บิฮิอัสรันอัสรันแล้วก็นะครับเกิดร่องรอยในชีวิตเนี่ยทีละนะครับทีละรอยทีละรอยทีละรอยมันเกิดผลโอ้ผลมาแล้วหนสองสามนะครับมันเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเกิดกัน ที่ละอย่างทีละอย่างฟะลัมมานะฟะลัมมากอฟิลาอันมุสลิมู่นอันาดันมันฮัดมาลยนั่นั้นเมื่อมาถึงช่วงเ ว, วลาที่มุสลิมเนี่ยหันหลังให้ลืมมันฮัดอันนี้ไม่ได้เอามันฮัดอันนี้มาใชา้ไม่ได้เอาหลักสูตรคัลองที่ท่านอบดุลสลมามเคยใช้มาเนี่ยมาใช้ ในเชิงของการตารวิญญาณอันกุรานยังอยู่นะแต่เรื่องของการตรวไม่เอาละทิ้งล้ก็ฝืนอัตขัตุอันกุรัอัตขัตุมกุรานคิทับคิทับธมะาอินลิศกาวสแล้วก็ถืออันกุรานเป็นเป็นคำพีที่ให้อธรสในเชิงของการศึกษา อธอรูอยไงมันเลยเถึงเป็นถึงว่าทํานองของอันกรานความไพเราะของอันกุรานอย่างนั้นความมหาสัจจั์ของอันกรานในแง่นั้นแง่นี้แต่มันไม่ได้ลงไปเรื่องของการตะเรียมันก็ลอยอยู่ในเรื่องของแค่นะครับแค่ไม่ได้ลงไปสู่คนไม่ลง ไ, ไม่ได้ลงไปสู่การเปลี่ยนแปลงคนวากิตาตาบุติตละวันลิตติลาว่าถือเพียงแต่ว่าเป็นคัมภีร์ที่ การอ่านเนี đó, us, ่ยเป็นการตบุเป็นอิบะดาพอถึงตอนนั้นะัสะนนนั้นลมันัตรบีไม่ได้ถืออักุรานเป็นมันัอัตรบีเนติบะตวตะกยวมันันวมันวมันายายั ลิลอามันวัตันฟีสไม่ได้ถืออันกุรอานเป็นวิธีอันใดเป็นเป็นเรื่องของวิธีการที่จะหล่อหลอมที่จะพัฒนาคนนะหรือลิลอามันในหรือว่าเพื่อที่จะการปฏิบัติหรือการนำมาใชา้ล้ำยันตาเฟอเมนั้นกุรอานบิเช่น เนี่ยเขาก็สิก็ต้องพิจารณารุนแรงคนพิจรณานแรงเลยไม่มุสลิมเนี่ยมุสลิมนะมุสลิมเนี่ยจึงถ้าเป็นแบบนี้มุสลิมจึงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากอันกรานได้ละอันยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สําหรับหลายๆายคนหรือถ้าอ่านอันกรานแบบตามพุทอ่านกรานแบบสกอฟ้าแบบความเพลิดเพลินให้ได้อารตเนี่ย ถามว่าร่างยันตะเพียงอุบิชอเขาคือว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากอกุราากอานกรารอ่านผ่านมานานเท่าไหร่แล้วสังคมเราอันนี้คือคือเรื่องที่ปรากฏอยู่ในสังคมนะเรื่องที่ในปรากฏอยู่ในสังคมที่ที่ที่มันเป็นแบบนั้นอืม لان ะฮฺมข ه รูอ ل นมันเหจีอัลลัติรัสมะฮฺอัลอาลีมอัลกับีร์ฟาวบขาเนาะกจาคัลลองทียรสมาที่อะไรครับที่ผู้ที่ทรงรอบรู้ทรงชำนาญทรงกระหนักยิ่งเนี่ยได้เขียนไว้ได้วางไว้เราออกจากคัลลองนั้นจึงไม่ได้รับประโยชน์วายัมบ في تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم و ت د م ي ن ه على إمداد بن ح ج ه ة البالي ك ل م ا فتح له بابا من الجلال وكلما ا ق ط ر ه عليه اقتراها أو اعترض عليه اعتراضا. ทุกๆครั้งที่มีการโต้แย้งจากบรรดาพวกปฏิเสธอะไรต่างๆนะครับอย่างที่เราเจอเนี่ยอลัลลอฮฺสุลตาราโต้กลับโต้กลับโต้กลับและนี่ก็เช่นเดียวกันแ ล, อละอัลลอฮฺสุลตาราเลยบอกในอายะนะครับในอายะที่สาสามว่าละยะตูนั ก, กบิมัสเลินด้วยอุทาหรณ์ใดด้วยตัวอย่างใดด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามแต่เนี่ยด้วยคําตอบใดก็ตามแต่เนี่ยที่อลัลลอฮฺสุลตารามาเนี่ยนะครับ นะไม่ใช่ไงนใดวินแต่จีน่ากับิลฮักเป็นสัจธรรมทั้งสิ้นเราจะเห็นเขาบอกว่าเป็น if อัลลอฮฺสุฮะตะลาโตตอบยังไงอัลาติรอัลลอุฮะตะลาโตตอบยังไงบอกว่าให้มาไล่กัดลงมาเพราะก็รท่านนบีโตตอบยังไงนะครับบอกว่านบีเป็นคนปกติสามัญเดินดินอัลลอฮฺสุฮะตะลาตอบกลับยังไงอัลลอุฮะตะลาเนี่ยมัซลินมัซลินยกมายกมาตอบกลับยกมาตอบกลับ นะครับและท่านนบีสุ ล, ลัยลก็เกิดความเชื่อมัน่นวันแล้ววันเล่าในการเดินตามคาองที่อัลลอฮมาฮอัลละห์ไม่เคยทิ้งท่านนบีสุ ล, ลัยละหนในการแยกไปเชิญหน้ากับปัญหาไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยม่อยู่ครั้งหนึ่งที่ที่วะฮิยขาดช่วงบางเรืะบอกว่าห ก, หกเดือนบ้างหรือมากกว่านั้นหรือน้อย ก, กว่านั้นครับ ดับบ nah ีก็เศร้าใจมากเศร้าใจมากแล้วก็มีคนมาพวกพวกปฏิเสธก็บอกว่าพระเจ้าของมูฮัมหมัดทิ้งมูฮัมหมัดแล้วผมนึกถึงว่าถ้ามีเด็กตัวเล็กนะครับแล้วมีคนมาบอกว่าอมามองไม่เอาแล้วอร้องเลยครับร้องเลยดื้อิ้งดับบีเสียใจมาก มันขาดว่าอยู่ขาดช่วงและในมงกยบอกว่าท่านนบีลยลมจะไปเดินไปไปยืนบนหน้าาถึงจะฆ่าตัวตายอัลลออัลลอฮสตาาลงอยายวับะฮ ا ل ل ي ل ى มาวดากรบุกวะมาลาน่เนี่ยอายะนีนีัมากมาวดาพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อัลาไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งเจ้าหรอกวะมากะลาไม่ได้โกรธดับคืนอีในบางช่วงบางตอนท่านบลลลลออเลลลออเห็นว่าท่านบสลลลออเลลลมเนี่ยนะครับเรียบเร่งในการที่จะ ในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลอสซาตาลาคือคิดเชื่อมั่นอยู่กระทั้งว่าเชื่อมั่นท่านนบีสุลัยซามเชื่อมั่นอยู่กระทั้งว่าคิดว่าลอสซาตาลาช่วยคือคือที่อะไรครับคนต่างศาสนามาถามถามบอกไหนถ้าเป็นนบีจริงเนี่ยลองบอกด้ว่าเรื่องชาวถ้ำเนี่ยเป็นยังไงสถาบุนจ้ อ๋อได้มาพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะบอกให้บอกอไสิ่งที่ทานายเบีบอกานาบี้สอนเนี่ยวายทั้งนั้นเลยรัศมีลตลาดประทานอายุ่ายเบี้ยบอกแค่หน้าเบีบ้ยสอมบอกว่ามาพรุ่งนี้จะบอกให้พรุ่งนี้พวกนั้นก็มาบอกให้ไม่ได้ เลาไม่ลงว่ายูเรื่องไรไม่ลงว่ายูลืมสิ่งหนึ่งคืออันอ t i น n ไม่ได้กล่าวเขาว่าอินชาอัลลอฮฺวลาตะกูลันนาลิชัยอินอินนีฟางอุฟางอุดะลิกะกดาอิลลาอินยาชาอัลลอฮฺ เราทำนี่ท่านนบีสุลต่านบอกว่าอย่าพูดเรื่องอะไรก ah ็ตามแต่ว่าพรุ่งว่าฉันจะทําเรื่องนั้นพรุ่งนี้ยกเว้นจะต้องบอกว่าอินลายอินชาอัลลอฮ์ต้องบอกอินชาอัลลอฮ์ไปด้วยอัลลอฮ์ตั้งใจแล้วนะตั้งใจกับไม่ตั้งใจมันมันเรื่องไหนที่ตกเถียงกันไนดะ้อินชาอัลลอฮ์จะใส่พเพื่อเพื่ได้ไหม ถึงถ้ดูบริบทของอินชาลเราในอาย่านี่คือเราตั้งใจในแน่ๆที่จะบอกท่านนบีสุลัยนะไม่ได้ไม่ได้ผิดนัดนะท่านนบีบอกคือพรุ่งนี้มาจะบอกให้คือจะบอกจริงๆเน่ยแต่ทีนี้ให้อินชาเราไว้ก่อนหน่ยแต่ใจนีนไ่ไม่มีเลยไม่มีเลยบางทีมันก็มันมันมั น, ม, นมันแย้งต่อบริบทบังคับให้อินชาล่อย เออถ้าจะไปทำฮัตเนี่ยได้ถ้ายังไม่ได้ไปทำฮัตเนี่ยมันคนต้อคนต้องตั้งใจไว้จะไปทำฮัตอินชาอโลได้ <laughs> แต่บางเรื่องบางเรื่องที่มันไม่เห็นด้วยบ้างอะไรด้วยจะให้ว่าอินชาอโลก็ว่าไม่ลงใช่มนนีนอกนอกเรื่องกัไหน่อยะตกลงว่านะตกลงว่าท่านนบีสลุลอ่าเดินตามอัลลอสุลฮัตละนะครับที่อัลลอฮฺสุลฮตละได้บอก ดังนั้นอัลลอฮฺสวาตละประทานแต่และเรื่องลงมาก็โต้แยงแ้งหรือตอบกลับ <c oughs> ข้อกังขาต่างๆอาการตั้งแง่ของพวกปฏิเสธนะคอัลลอฮฺวสวาตลาตอบกลับหมดแอนกรังเยอะมากกุนกะุนกุนนะที่มีคําว่ากุนนะครับบางทีก็เป็นคําถามมาเป็นชุดเลยคําถามอัมอัมอัมละหุมอัมละหุ่นะในสุร่าบางสุร่าเนี่ยมีเป็นสิบ นะครับที่บางทีโต๊้กลับเนี่ยเป็นชุดเลยถ้าเป็นกระสุนน ห, หมายความว่ า, ร, า, ว า, ร, า, วารัวเลยโต้กลับในบางเรื่องในบางประเด็นบอกออ <c oughs> นี่คืออายะที่เวลายะตุนักบีมาซลินอิลลาจนากบิลฮักกะว่าอัลสันะตับซีรอและคําอธิบายอัลสนะตับซีรอตับซีรอก็คือคําคำอ่อ สัพสิทธิ์ก็คือคำอธิบายคือคำอธิบายนะที่ดีที่สุดเป็นคำอธิบายที่ที่ลสวาตละให้ดีที่สุด الذين يخشرون على وجوههم ل ى جهنم و, و ل ئ ك ش ر م كانوا و ل سبيلا นันอัานเนี่ยถ้คิดไม่ออกมาดื้อๆอายะบางอายะเนี่ยเกีอะไรกับข้างหน้า นี่เป็นพวก changer, พวกอะไรครับพวกมีพวกตะวันตกนับบุรพคดีอะไรต่างตั้งตั้งตั้งตั้งข้อสงสัยว่าอันกรานนี่มันจะเป็นคำเป็นคำเพียงไงบทมันไม่ม so ีก่อนมีหลังมันไม่มีไม่มีการเรียงเรื่องราวไม่เรียงยกเว้นยกเว้นบางบางซุร้อนเช่นซุร้อนยูซุที่เป็นเรื่องราวที่ยาวต่อเนื่องต่อเนื่องยกก็ตั้งจบยกก็ตั้งไว้ในซุระอื่นเนี่ยไม่มีเว้นแต่อายะสองอายาเนี่ยที่เกี่ยวกับยูซุที่เอ่ยชื่อของยูซุ ในส่วนของยูซพูดเรื่องขอยูซุทั้งสอเลยแทรกนิดหน่อยน่อยะรสุราตุกาสชาิถ้สุรากเป็นสองสุราที่เรื่องต่อเนื่องจากตั้งจากต้นจนกระั่งถึงแทบแทบแยจบจบเลยสุราคัตไปเจอตรงไหนอีกไม่เจอเลยแต่อื่นจากนั้นพูดพูดเรื่องนี้อยู่ดีๆเอ้าไปออกเรื่องน้น อันีอนีเนี่ยบอกกาลังพูดโต้แ <subscriber> ย oh. ้งกับพวกปฏิเสธนะแล้วก็บอกว่านะไม่มีั้างใดที่อัลลอฮฺสลมประทานอายกรานที่เป็นมัซัลที่เป็นตัวอย่างที่เป็นคาตอบที่เป็นข้อโต้แย้งอะไรออกมาแล้วให้กับเจ้านั้นเว้นแต่ว่าเป็นอัลฮักบิลฮักวตาอซันัซีรและเป็นคําอธิบาทีดีที่สุดอ้าวอายีสามอัลลดีนยชานอลวุจุห บรรดาผู้ที่ถูกฟื้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาบนใบหน้าของพวกเขาบนใบหน้าหมายความว่ายูเซรุนาอิล่าจะฮันนัมถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็เอาลากเอาหน้าถูถ่านะครับเอาหน้าลงหรืลากเอาหน้าลงมันเป็นความอับอายศ์ไม่มีแล้วถ้าจำเลยหรือถ้าคนที่ถูกทรมานเนี่ยโดนผูกขาหรือผูกมือผูกขาแล้วก็เอาน้าถูถ่าไปกับพื้น ซึ่งเราก็เคยเห็นตอนนั้นเห็นในตอนที่ก็เกิดเกิดการปฏิวัติเกิดการอะไรในในลิเบียนะครับด้วยความเจ็บใจลากหูไถไปกับพื้นเป็นการประจานเป็นเียกว่า ม, มันเป็นความอภิยศนะครับเปน็นการอภิอยศอย่างมากนะครับบรรดาผู้ที่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ให้ใบหน้าของพวกเขานะครับถูไถไปกับพื้นนะแล้วก็อิหล่าจะหันนะ แล้วก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกนั้นอุลัยกาชัรุมมกานาววะอัลลุสบีลานั่นพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ชัรุมกานเป็นฐานะที่เลวร้ายที่ที่เลวร้ายที่สุดวะอัลดลุสบีลาและเป็นผลทางที่ลงที่สุด เ, เกี่ยวข้องกับอะไรครับเอาคือมูนาสใช่ปะหรือความเกี่ยวข้องเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกที่ก่อพวกที่โต้แย้งท่านนบีสุลัยซามหรือพวกที่ก้าวล่วงบอกรสวตาทลาในการแนะนํำบอกรวจควรจะประทานอายะห์อย่างนั้นควรจะเอากราลงเอเป็นเล่ ม, น เ, ลมลเนี่ยรสวตาทละเนี่ยเตือนสำทับ พ, พวกนี้ว่าเนี่ยผลที่สุดแล้วพวกนี้ต้องเจอเกีกับการลงโทษแบบนี้นะครับเจอกับการลงโทษแบบนี้มีฮะดีษ ในสั้งเหี้ยสั้งเหอันสอันรัจ e l l กลามีชายคนหนึ่งนะคนที่นี้ก็คือถามท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะเป๊ะลมว่ายารอสุลลอฮโอท่านรอสุลลอฮโอท่านรอลลอฮ كيف ยุห์รน كيف ยุห์ كيف ยุห์เร์นกาฟิโรอลาวะจีฮียุมันกิยามะคนปฏิเสธเนี่ย จะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่หน้าความหน้าได้อย่างไรในวันเกียมันท่านนบีตอบว่าตอบว่าอินนัลละดีอัมชาหูอัลาริจเลแท้จริงผู้ที่ทำให้เขาเดินได้ด้วยสองขาสองเท้าก็เดอร์อยุมเชียหูอัลาวาจีฮิเยวมันกิยาม ทรงสามารถที่จะให้เขาเดินเดินด้วยหน้าหน้าเดินหน้าเดินหน้าเดินหมายความว่าไปกับพื้นในหน้าเดินไม่ใช่หน้าเดินแบบแบบเอเดินไปข้างหน้าในหน้าเดินหน้าเดินจริงๆหน้าเดินก็คือหน้าถูถ่ายไปกับพื้นลอสซัวนตาคงไม่ต้องใช้มาลายการลอสซัวนตาตามพันธสัญญานี้ก็คือว่าอลอสซัวนตาให้พื้นขึ้นมาในสภาพที่ถูกหน้าถูไถไป นะครับถูถยไปกับพื้นแล้วก็ลงไปสู่ไฟนรกไี่อีกคดีหนึงถ้าพวกเราจำได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอคลัสเนี่ยมีคนสามคนถูกสอบสวนคนหนึ่งเรียกมา เป็นอะไรเป็นกอรีเป็นกอรีกอ ร, กอรีนักอ่านกราดเสียงดีอ่านเก่ง <c oughs> อ๋อเหรออ๋อถามว่าฉันให้เจ้าได้อ่า น, นกราดได้แล้วทำอะไรเพื่อฉันบ้างแจกรนก็ตอบว่า ให้ความรู้เนะเราสุวรรณตะลาให้ให้ให้ความรู้กับเขาก็ตอบว่าอะไรครับฉันอ่านเฉันสอนกัมปีของพระองค์เพื่อเพื่อพระองค์ก็เหมือนที่เราทํานั่นแหละเรามีความรู้แล้วก็ไปสอนชาวบ้านสนอนในต่างนะว่าไปตามว่าไปตามที่เราทําด้วยความบุ่สุดใจ อัลลอฮฺบอกว่าไงครับโกหกกระเจ็บเวลากินเจ้าเนี่ยต้องการลี่ยว ก, ก้ออันตะกอรนี่ที่ทำไปเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยสรรเสริญยินยอยกย่องว่าเจ้าเนี่ยเป็นสุดยอดของังหารแสดงว่า ตัวสำคัญหรืตัวสําคัญหือคลาสไม่มีคลาสแน่จะเราจะพูดจะสอนอัอลกุรอานก็ตามใช่ไหอัลลอฮฺสุลฮฺอัลลาห์ก็ให้มาเลยกัดลากเอาหน้าถูไถไว้กับพื้นแล้วก็โยนลงไปนรกไร้ไร้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านว่าไม่ได้อยู่กับอัลกุรอานไม่ได้อยู่กับ ไม่ได้อยู่กับอะไรครับวงการศาสนานะพวกค้าขายพวกอะไรต่างๆอันนี้คนที่อยู่กับศาสนาคนที่อยู่กับอันกราเนี่ยต้องตกนรกเองมันน่าคิดน่าคิดมากๆด้วยเรื่องเดียวคือทําด้วยไม่ไม่ไมว้สุดใจที่จะทําคนที่สอง เอาล่ะบอกว่าเนี่ยใช่ฉันให้ทรัพย์สินแกอะไรมาเยอะแยะมากผูกพิเศษไปกว่าคนอื่นเอาทรัพย์สินไปทําอะไรบ้างฉันได้ใช้จ่ายทรัพย์สินไปในหนทางของพระองค์บริจาคโน่นบริจาคนี่ว่าไปตามคนที่มีตังค์นะตำโน่นตามนี่เลี้ยงโน่นเลี้ยงนี่เราบอกว่ากะตุกเจ้าโกหก ว่ากนแต่เจ้าเนี่ยที่ทำไปเนี่ยิยมก่อนจาวัตต้องการที่จะให้ผู้คนยกย่องสรรเสริญชมเชยว่าเจ้าเนี่ยใจบุญเป็นคนใจบุญเป็นนักบุญจาวัดมีจิตใจเปืือแผลสะตาดิมเดียวกันก็คือให้มาเลยกัดลาก เอาหน้าถูไถไปกับพื้นแล้วก็โยนลงไปนรกคนที่สามาลสวาตลาได้ให้นะเจี๊ยเขามีโอกาสโอกา ส, กาสเรื่องใหญ่มากได้มีโอกาสจิฮัตตานตังกับองค์ลสวาตลาโอ้สุดยอดทุกคนที่จีฮัตสุดยอด หรือคนที้ขลาดคนที่ไม่ใจไม่เกินร้อยนึย่ไม่กลา้าเด็ดขาดเลยแสดงว่าเสียสละสูงมากสูงมากนํามาสอบสวนนลสวานตลาดสอบสวนถามว่ายังไงไปทำอะไรมาบ้างเก็เล่าเรื่องการญยี่ัดนะฟังว่าว่าตันตุฟี่กันฉันเนี่ยไปทำสงครามในหนทางของพระองค์แล้วก็ฉันเนี่ยถูกฆ่าตาย ทางของพระองค์ Allah, สวัสาลาบอกว่าแต่รับโกหกที่เจ้าทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อริยกอนอันตริเป็นคนที่กล้าหาญเป็นวิราชชนต่อการนี่นยายจะคนบอกว่าเป็นคนกล้าเป็นวิราชน ไม่ได้แยกคนทำเพื่อจะเป็นประชาชนไม่ได้ทําเพื่ออโลสสวาตัลลาก็ตกนรกเหมือนกันสามคนในธรรมดาทั้งนั้นเลยมีทรัพย์สินบริจาคเยอะมากมายคนหนึ่งก็สอนเรื่องศาสนาอีกคนหนึ่งก็เยฮาตเนทางโลสสวาตัลลาแต่ว่าต้องการสิ่งที่ต้องการคือตัวเองเท่านั้นเลยตัวเองเท่านั้นก็ได้นะ้ได้ทั้งสามอย่างได้ไหมคนแรกได้ได้ว่าเป็นกอดีได้ ได้ถ้วยได้อะไรเยอะแยะลงไปนะถ้าใจไม่คล <ine> ัสส์เอารสราตลาวันเก็บมันเนี่ยก็บนดุนยนี่เอารสราตลาให้นะมันการอุญรีดุนฮัสอ่อฮัสดดุนยะนูติฮิมินหะใครที่ต้องการเนี่มีจะจะจะได้รับเอาครับชวนในโลกนี้เนี่ยรสราตลาให้เห็นไหมคนได้เยอะแยะเยอะเยะแยะเลยนะคนที่ไม่ใช่พูดศรัทธาก็ได้เยอะแยะได้มากกว่าโด้วยซ้ำไป เลาให้เราสัญญาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กีดกันเลยจิตใจไม่ให้เขาได้ใหแต่เขาสาบของเขาได้ทำมาค่าขายต่างๆขยันเขาก็รวยเอารวยเอารวยเอาก็อรรถสถานตะลาให้เนี่ยไม่กีดกันแต่ว่าเนี่ยคือเราไม่ได้นั้นในดุงยาได้ได้ชื่อเสียงแล้วเป็นนักอ่านในดุงยาได้ชื่อเสียงแล้วเป็นคนใจบุญเป็นนักบุญในดวงยาได้ชื่อเสียงแล้วว่าเป็นวิรชน แต่นรกอนลลาห์นครับี่อัมยใช่นะครับอ่งนนันอ ل ه ه م ل ى ج ي ش ر ل و ه م و ฉากของการฟื้นคืนชีพเีอัลันวูจูพีฮีอนิอหานะบ่งบอกถึงการนะครับถึงอหานะการดูถูกการเหยียบย่ําการไม่ให้เกียรตินะครับอย่างอย่างถึงที่สุดนะครับคนที่ถูกกระทําแบบนี้มายุคาบิลูอัตตาอานีวะอิสบัตซึ่งมันสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนของขอ ง, ของคนพวกนี้อนที่ก้าวล่วงบอกรสราตลากรด้านี้ในอายะที่เราได้อ่านไปแล้ว มันสมควรคนที่ตะกรบดถึงขนาดนี้สิ่งที่คือคนที่ตะกรบดในต้องการเอาหน้าทำไมทั้งสามคนเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนี่คือต้องการเอาหน้าถ้าอย่างนั้นต้องการเอาหน้าเนี่ยเอาหน้ามันถูไปตะกื้นเลยอัลลอฮฺจ aza'awifaqo' nasr alnabah jaza'awifaqo' อันจ aza มีหลัก มีหลักข้อหนึ่งนะครับเรื่องเรื่องการตอบแทนเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาตราไว้เลยข้อหนึ่งว่าอัญสะอะไรครับมินยินสิอามันการที่อลัลลอฮฺาตาลาจะตอบแทนเรื่องอะไรเนี่ยต้องเป็นไปตามชนิดของการงานนั้น ถ้าทําแบบนี้เกิดได้อย่างนี้ถ้าจะเอาหน้าคือให้อ่าคือดูดูดดอโลสว า, าตลาตอบกลับเลยถ้าเอาหน้าจะไหมตอบแทนด้วยการเอาหน้าถูไถไปกับคืนแล้วหน้านี้ไม่ใช่ท่านธรรมดานะมันหน้าที่จะไปเทียบเคียงกับความยิ่งใหญ่ของอโลสว า, าตลาไงกล้าที่จะเอาหน้าเพื่อที่จะที่จะลดความยิ่งใหญ่ของอโลสว า, าตลาเนะี่ยคือตะกับบดไง ลืมมาล่อไปเลยเพราะจะเอาหน้าตัวเองลืมมาล่อไปเลยแล้วไม่หนักมันหนักมากเลยยกจะรู้นะอ่าลาวูยมอิมวันเอาราอดอันนี้ฮักการการเมินหน้านี้จากสัจธรรมบ่หัวอย่าเลาะใหดันมันชมมัดอามาตรซูลย์อัลลอฮฺสุลาะให้เอาเรื่องนี้นะครับฉากนี้มาอยู่ต่อหน้าท่ารศุลละกะลอัลลอฮอสลลฮซลลให้ท่ารศุลละกะอัลลอฮอัสลลได้เห็นนะครับ ดัซเซียลหูอัมมาอัลกอหูเป็นการที่จะให้ให้กําลังใจปลอบใจท่านอัลสุลรอสโลหะอเลสลัมว่าคนพวกนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปต้องไปทอแทะหรอกผลที่สุดแล้วพวกเขาจะถูกนะครับลากเอาหน้าถูไถอยไปกับพื้นแล้วก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกครับและในขณะเดียวกันก็เตือนนะครับเป็นการเตือนสัมทัศ์สัมทับนะครับบรรดาผู้ที่ นะครับได้แสดงพฤติกรรมอย่างนั้นเก้าล่วงต่อละและซของพระองค์นะครับในอายะที่ผ่านผ่านมาที่เราได้อ่านไปแล้ว a m b a t u s s o m u h a i h i w ل س ا ل ي ك م الله